อัลลอฮ م ุสุล ا ل ามีหฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลล ن ฮฺุอฺลลอฮฺุอฺล ن อฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอ ل ل ุอ ه ลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮุอฺลลอุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอฺลลอฮฺุอ� اللهم صل على محمد وعلى u ل ه واصحابه ومن تبعهم بإحسان b ل w يوم الدين ربي شرحي ل صدري ويسر لي أمري وحل العودة باللسان يفقه قولي اللهم بك m a ب ح ن ا وبك h م س ي ن ا وبك نموت وبك نحيا و ر ي ك النشور اللهم u ن ت ر ب n لا إله إلا أنت خلق ตั้งิและฉันก็เป็นผู้รับใช้พระองค์และฉันก็อยู่ภายใต้ م ระบสามารถทำได้บิดาข السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ตอนรุ่งน้ำอา์่นา ที่เรทั้งหลายครับ a l h a m d u l i ล l a h เราต้องขอบคุณอ l l a h s u b h a n a h ว wa t a a l ที่ a ลล a h ให้เรามีชีวิตยอยู่มาถึงวันนี้เราต้องเช็คนะครับสำรวจดูตัวเราเองว่าเรานั้นได้นํำเอาหลักการนะครับความรู้ที่มาจากอัลกุรอาน และความรู้ที่มาจากสุนนะของท่านนาบีเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตของเราเองเนี่ยมากเท่าไหร่แล้วนะครับต้องสำรวจนะเพราะว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์แต่งตั้งมาแล้วก็นบีก็พูดว่าอินนามะบุไวนตุฉันเนถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีนะ หรีอุตั้มนมี่มาเพื่อทำให้สมบูรณ์มาการิมัลอัครามารยาทที่ที่ดีคือนบีเนี่ยนำเอามารยาทที่อัลลอฮ์มอบให้มาปฏิบัติแล้วก็มาบอกให้ประชาชนทั้งโลกให้เรียนแบบมารยาทของท่านนาบีมลลหฮัมมัดม ท่านมารยาทที่ท่านนาบีนำนำเสนอกับชาวโลกเนี่ยเป็นมารยาทที่อัลลอฮ์พอใจนบีก็พูดว่าอินนามาบรอไอสตูฉันเนี่ยถูกแต่งตั้ง เ, เพื่อทำให้มารยาทที่มันขาดขาดขาดไปเนี่ยจะทำให้สมบูรณ์ท่านมารยาทที่ท่านนาบีนาเสนอกับพวกเราเนี่ย เป็นมารยาทที่อัลลอฮฺทรงพอใจท่านให้เราให้เรานึกว่าเราเนี่ยเอาซุนานะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากแค่ไหนแล้วให้ต้องนึกนะครับมารยาทในการกินมารยาทในการนอนมารยาทในการค้าการขายมารยาทในการแต่งกายมารยาทในการอยู่กับสามีภรรยามารยาทในการเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำ มารยาทในการขึ้นรถมารยาทในการเห็นอคซิเดต์บนถนนทำยังไงมีนบีสอนได้หมดแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องนึกว่าเราเนี่ยได้มารยาทเหล่านี้นำะมาใชา้ในชีวิตประจำวันเรามากแค่ไหนแล้วขอบคุณนล้อนะครับเราได้ทบทวนโุราณ <c oughs> มันนี้มาถึงซูร้อลฮิจรุูร้อลฮิจร สุรที่สิบห้าในกุรานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สุรอหนึ่งร้อยสิบสี่สุร์อเรียนมาอ่านกันมาทบทวนมาสิบห้าปีแล้วทำดูเลยละก็เยอะนะสิบห้าปีเนี่ยมองดูมันเยอะก็คนที่นั่งฟังตับซีนะตายไปหลายคนแล้วครับแล้วก็ยังรักษาอยู่นะจนกว่าเราจะตายกันนะ วันนี้มาถึงอายาที่ยี่สินี่กำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาจากดินเป็นขั้นตอนนะสร้างมนุษย์มาเนี่ยแล้วก็สร้างจินมาจากอะไรนะเปลวไฟในกุรานพูดเอาไว้มาเดนึกเองนะครับแล้วก็สองสร้างชัยตนมาจากไฟ มาจากไฟสร้างยินมาจากเปลวไฟในคัมภีร์กุรอานเนี่ยสอนเราว่ามนุษย์กับยินเนี่ยมนุษย์กับยินเนี่ยเรากับยินเนี่ยใครสร้างก่อนอัลลอฮ์สร้างใครก่อนคําตอบก็คืออัลลอฮ์สร้างสร้างยินก่อนมนุษย์สร้างยินมาก่อนตัวเราที่แถวนี้น่ยมาก่อนยินอยู่ ยินอยู่แล้วตอนนี้เรานี่เราก็มาอยู่แทนยินเดี๋ยวไม่ช้าเราก็หนีไปอยู่ในป่าอีกแล้วให้คนจีนมาอยู่แทนพรเราเก่งนะมามาบุกเบิกเสร็จแล้วเราก็หนีไปอยู่พนัดตอออีกแล้วก็ให้คนจีนมาอยู่ตรงนี้มารูกที่เราตอนนี้เราเราคิดหม่แล้วนะหลังจะหมดที่ไปหมดแล้ว ก็คิดไม่แล้วคิดไม่ก็ต้องอยู่ต่อไปน ะ, ม, ะมาดูกุรานนะครับอายาที่2ี่วันนี้เรียนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นอายาสั้นๆเราเปสวนใหญ่ยยจะเล่าให้เราฟังเพื่อให้อีมานเราเข้มแข็งนะพี่น้องเดินตามกุรานเชื่อตามกุรานใจ ม, มันสงบนะใจเย็นด้วยคนอ่านกุรานนี่ใจเย็น คนอ่านคุรานเนี่ยใจสงบคนอ่านด้านคุรานเนี่ยถูกหลอกยากนะครับถ้าหาไม่อ่านคุรานนี่ถูกหลอกง่ายนะวะแล้วก็ดะวะอิซุอลาโรบุกะลิลมาลาอิกตีอินนีข้ลิกุมบะชรัมมินซัลซัลิมมินฮามอินมัส จงรำลึกถึงอิสเนี่ยแปลว่าจงรำลึกถึงให้นึกเรื่องอดีตให้นึกเรื่องอดีตฉะนั้นมุสลิมต้องนึกนึกเรื่องอดีตตั้งแต่ทายังไม่เกิดเนี่ยนึกอะไรครับกอลรอ บ, บูกาลิมมาลาอิกติเมื่อพระผู้อภิบาลของท่านหมายถึงอลัลลอฮ์ได้กล่าวกับมาลาอิกะ Allah เล่าให้มลายิกาฟังเล่าว่าไงอินนิคอลิคุมบาชรอรแท้จริงฉันจะสร้างเล่าให้มลายิกาฟังว่าแท้จริงฉันจะสร้างสร้างอะไรบาชาโรสร้างคนบาชาฟเนี่ยแปลว่าคนบาชาโรแปลว่าสามัญชนสร้างคนก็หมายถึงอาดัม ก่อนหน้านี้อลัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนแล้วแล้วก็ต่อมาอาลัลลอฮ์ก็สร้างอะไรนะสร้างอาดัมก่อนจะสร้างอาดัมก็เรียกมลายกามาแล้วเล่าให้มาลายกาฟังบอกฉันจะสร้างคนนะสร้างคนเนี่ยมาจากอะไรมิซอลโซลิมินฮามัยมัสนูนมาจากดิน สร้างคนมาจากดิน อ, อ้โหอธิบายง่ายพี่น้องเชื่อตามนี้แหละชาญดาวินบอกว่าไงสร้างคนเนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงเห็นไหมชาญดาวินเนี่ยมาใช่มุสลิมใครยิวเป็นยิวูดีแล้วเขียนตำราวายลอเราเล่มใหญ่อ่ะผมก็อ่านมาแล้วตอนอยู่หมหาวาิทยาลัย ปีสามอ่ะต้องเรียนในวิชานั้นอ่ะคนเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรนะปีวัฒนาการมาจากลิงฝืนใจตกตรงเขียนถ้าไม่เขียนสอบตกถูกลอกใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรนี่เล่าให้ฟังอ้าวพี่น้องอินนีอลิกุมบชรมมิงสลซลิมมินฮามอิมมัสนูนฉันจะสร้าง คนนะครับสามัญชนเนี่ยคนหนึ่งจากดินดินแบบไหนครับดินแห้งอซอลซอลแปลว่าดินมีเสียงแล้วก็แห้งด้วยเวลาข้อเนี่ยมันกึกกึกกึกกึก ก, กเนี่อเล่าให้ฟังนะสร้างมาจากดินแข็งแห้งนะครับแล้วก็มินฮามาอินฮามะแปลว่าสีดำดินเนี่ย ดินสีดำด้วยดินตรงสีดำมัสน mm. ูนทำเป็นรูปร่างมัสนูนแปลว่าทำเป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เราเห็นยุคปัจจุบันเนี่ยอันนี้เอ า, เ ล, าเล่าให้ฟังเรื่องเก่าให้อีมานให้อีมานเราเข้มข้นบางคนน่ะไม่ได้นึกว่าตัวเองเนี่ยมาจากไหนอมาได้นึกนึกไม่ออกนึกไม่ถึงบางทีนึกก็ผิดอย่างนึกตาม ชาหดาวินก็ผิดอยู่แล้วเพราะนั้นชาหดาวินเนี่ยมาหลอกหลอกมนุษย์มันแก้อย่างนี้มันบอกว่าคนคนมาส่วนใหญ่มนุษยนะ์ที่ไม่ได้มาจากอาดัมเนะ่ยมีใครบ้างก็พวกเราทั้งหมดนี่แหละไอ้คนที่มาจากอาดัมจริงๆมาจากดินนะ่ะพวกกลุ่มยิฮูดีเท่านั้นตอนนี้มีอยู่กี่ล้านประชากรยิฮูดีมีกี่ล้านคุณเฉลิมมีกี่ล้าน สี่ล้านอยุสี่ล้านอ่าเห็นไหมทั่วโลกเห็นไหมเนี่ยกลุ่มเนี้ยมาจากอาดัมแต่นอกนั้นมาจากวัฒนาการมาจากลิงแล้วก็จริงด้วยลิงเนี่ยชอบเรียนเรียนแบบคนลิงชอบเรียนแบบคนยะฮูดีกําหนดอะไรบ้างวันนี้นางสาวจักรวาลเนี่ยใครกําหนดต้องเดินแก้ผ้าเนี่ยใครใครกําหนดยะฮูดีกําหนด แล้วก็คนก็เดินตามหมดเลยวันนี้แต่คงต้นครูกลับมาบ้านดึกๆมาเปิดทีวีดูมาชะอัลลอฮฺทำไมเป็นอย่างนี้คนที่มีศาสนาเนี่ยและบางทีดูแล้วก็เพลินเหมือนกันใช่ไหมทูกลอกหมดเลยแล้วทุกคนก็มองภาพเลยว่าถ้าผู้หญิงนางงานจั ก, กรวาลต้องเดินแก้ภ้าให้ชาวโลกดูใครกำหนดยะฮูดีกำหนดแล้วเดินตามหมดเลยเป็นลิงหรือเปล่าว่ามันไม่ต่างอะไรกับลิงนะ ท่านก็ขอดูอ่านต่อรองให้เราอ่านกู่ตอ่านให้เข้าใจจะไม่ถูกหลอกนะครับต่อมาครับฟาิดาซาวยตูหูฟาิดาซาวยตูหูและฟัคตูฟีมิรูฮีฟักอูเลหูซาดีดีนฟาิดาซาวยตูหูเมื่อเราได้ทำเขา มายถึงสร้างอาดำเนี่ยจากดินเนี่นะสีดินสีดำนะแล้วก็ทำเป็นรูปร่างเมื่อทำเป็นรูปร่างสมบูรณ์แลว้วเป็นรูปร่างสมบูรณ์แลว้วทำไงวานาฟักตุฉันเป่าอานาฟะขอเนี่ยแปลว่าเป่าฟานาฟักตูฉันได้เป่า ฟีหิลงไปในร่างของมนุษย์ที่ฉันสร้างสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอาอะไรใส่ไปครับม่รู้ให้ม่รู้ให้ใส่อะไรไปวิญญาณใช่ไหมเข้าใจเลยอห้ามโดยเลยละพอสร้างเสร็จปล่อยอไว้กี่เดือนกี่ปีไม่รู้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีอร้อยไม่ได้เล่าให้ฟังพอสร้างเสร็จ อัลลอฮ์เล่าว่าฉันได้เป่าวิญญาณของฉันเนี่ยวิญญาณของอัลลอฮ์นะรู้ให้แปลว่าไม่เห็นไหมของฉันเนี่ยนะวิญญาณของฉันในตัวของเขาอ่าทีนี้เขาว่ารัวเนี่ยรัว ح, รัว ح. ผมอ่านจากภาษาอูรดูนะอูรดูนะไม่ใช่อุลลม่าสมัยนบีอุลลม่รุ่นหลังๆเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่ารัวนะมีสองชนิด รั้เนี่ยมีสองชนิดชนิดที่ผูกพันกับสิ่งที่สูงที่สุดกับรั้วที่ต่ํารั้วสูงกับรั้วต่ํารั้วสูงเนี่ยวิญญาณสูงเนี่ยผูกพันกับสิ่งเร้นลับห้าหรายการเป็นเป็นเป็นเป็ น, ปนข้อเดือนใจที่ดีนะหนึ่งผูกพันจะอะไรบ้างผูกพันกับสิรุณก็ว่าความลับ ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรความลับสองอัคฟาซ่อนเร้นยิง่งสก้อบุญวิญญาณเนี่ยผูกพันกับหัวใจด้วยสวิญญาณผูกพันกับวิญญาณอีกไม่รู้ว่าวิญญาณอะไรที่สูงที่สุดและอีกข้อนึงก็คือคอฟฟี่ยุนวิญญาณเนี่ยผูกพันกับสิ่งปกปิดห้ารายการ อยู่ใต้บาลังของอัลลอฮ์ سبحانه แะุ์ุประตาละเขาเรียกว่าวิญญาณสูงคนที่มีวิญญาณแบบนี้เนี่ยก็คือคนที่มีวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์ปะตาละส่วนวิญญาณเขาเรียกว่าซุฟลาวิญญาณชั้นชั้นชั้ น, ช, น, ช, น, ช, นชั้นต่ำเนี่ยชั้นสูงกับชั้นต่ําไม่เหมือนกันนะชั้นต่ำเนี่ยผูกพันกับอะไรผูกพันกับสี่ประการดินน้ําล้มไห วิญญาณมีสองชนิดชนิดที่ต่ำที่สุดเนี่ยผูกพันกับอะไรนะดินน้ำลมไฟกับวิญญาณที่สะอาดสูงบริสุทธ์ก็คือวิญญาณที่ผูกพันกับ5รายการเรียกในภาษาดาวฤศซิ ร, รุนวะอัคฟาคอลบุญรูฮุนคอฟียุนอธิบายเป็นศัพท์ภาษาไทยก็คือวิญญาณชั้นสูงนั้นผูกพันกับสิ่งที่เร้นลับ ว่าอัลลอฮ์ก็ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์ใช่ไมสองสิผูก พ, พันกับสิ่งที่ลึกลับที่สุดก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละผูก พ, พันกับอะไรครับก้อนบุญผูก พ, พันกับหัวใจผูก พ, พันกับวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ผูกพันกับสิ่งที่ปกปิดมองไม่เห็นคือเรื่องข้างบนหมดเลยเรื่องชา้นฟ้ า, เ ร, ารเรื่องอะไรเรื่องอาชเรื่องบัลลังของาาอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาร์ตาลาสังเกตง่ายๆ คนที่มีหัวใจสูงกับหัวใจต่ำเนี่ยแล้วก็มองได้บนโลกดุนยาใบนี้สังเกตง่ายๆคนที่หัวใจสะอาดหัวใจผูกพันกับสิ่งชั้นสูงๆสิ่งที่ลึกลับมากๆเนะี่ยก็ได้ชื่อว่าพวกหนอัมบิยาพวกไหนนบีแล้วก็พวกอะไรอีกอัสสิดีกรนคนที่ทำงานาศาสนาทั้งหมดนะ4ีกลุ่มเนี่ยนะอัสสิดีกีน อัลอัมบียะวสิดดีกีนวชูฮัดะวสาลีฮีมียุ่สีกลุม่มหัวใจท่านสูงนะหัวใ จ, จสะอาดบริสุทธิ์พี่น้องอะไรบ้างอัลบีจจยะหัวใจของผู้ที่เป็นนบีสองหัวใ จ, จของคนที่สิดดีกีนจริงใจต่อาศาสนาอัลอิสลามแล้วก็ชูฮัดาคนที่ดูแลาศาสนาปกป้องาศาสนาทั้งเงินและ ชีวิตของเขาร่างของเขาลงไปดูแลาศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็อัลซอลีฮนคนซอลแรกทั้งหลายเนี่ยใจสะอาดใจบริสุทธิ์ใจสูงเนี่ยสี่ประเภทอาทีนี้ถามว่าคนสี่ประเภทนะ่ะอัลลอ์ส่งมาทำอะไรทำงานาศาสนาหมดเลยนะไม่มีใครที่ปฏิเสธศาสนาปกป้องาศาสนาอิสลามทั้งหมด อามาดีคนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ว่าต่ำลงมาเ น, นี่ยผูกพันกับอะไรนะดินน้ำลมไฟคนนี่แอนตี้ศาสนาทั้งหมดโอ้โหอธิบายดีนะเอนละเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจเราก็ต้องนึกแต่มนุษย์นี่ยอย่าลืมนะวิญญาณที่อัลลอ์ให้มานะี่มันมีอยู่อย่างหนึ่งคือพัฒนาไดอ้อย่างมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะ อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเป็นอะไรนะคอลีฟะใช่หรือไม่ใช่คอลีฟะตุมฟิลอาร์ดีคำว่าคอลีฟะเนี่ยพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้คนที่มีหัวใจต่ําผูกพันกับดินน้ํามลมไฟนี่นะสามารถพัฒนาให้เป็นหัวใจของนึ่งอัสซุลฮาหัวใจของคนซอลแลได้ไหมได้หัวใจของพวกชูฮาดะได้ไหมคนที่ตายเสียิตได้ หัวใจของคนดูสิน ด, ดีกินได้ไหมได้หัวใจอีมานเหมือนกับบรรดานาบีได้ไหมได้พัฒนาได้เพราะฉะนั้นคนจะพัฒนาหัวใจให้สะอาดให้สูงนี่มันก็ต้องให้เวลากับการดูศาสนาฟังศาสนาปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาต่างๆพัฒนาได้อ่านความอธิบายอย่างนี้มาอีกคกับเราเนี่ยนะ เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคอลีฟ้านะถ้าหากเราพัฒนาตัวเราเลยนะมาจากดินนี่แหละแต่หากพัฒนาหัวใจให้ดีรักษาตัวเองให้ดีเป็นคอลีฟ้าของอัลลอ์ได้ไหมได้เพราะอัลลอฮ์นเนี่เลื่อนฐานะมนุษย์เป็นคอลีฟ้าของอัลลอ์ได้ด้วยเป็นตัวแทนของอัลลอ์นะอธิบายอย่างนี้ โหยิบตินนารูบิชชาวะคนที่จะตกนรกเนี่ยหรือว่าชาวนรกเนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติตามตามอะไรตามอารมณ์อ่านี่คนชาวนรกส่วนใหญ่ที่ติดอยู่กับดินน้ำลมไฟนะถ้าไม่พัฒนาเนี่ยโหยิบตินานารูบิชชาวะคนเนี่ยส่วนใหญ่จะตกนรกเพราะปฏิบัติตามอารมณ์ วฮ่ฮเขี่ปฏิญจนนาโตบิลมาการิคนที่จะเข้าสวรรค์หรือวใจยสะอาดบริสุทธิ์บนโลกดุนยาใบนี้ก็คือคนที่ทำความดีตามสุนนะของท่านนาบีแล้วก็อะไรได้วยไหมต้องควบคุมอารมณ์ต้องฝืนอารมณ์อ้าี่นองความดีตรงไหนที่ที่นาบีสอนให้ปฏิบัติที่ปฏิบัติตามอารมณนะ์มีไหมที่ถูกอารมณ์เรานะ ไม่ต้องฝืนมีไหมเอาบริจาคคิดเพิงเป็นเรื่องเรื่องบริจาค ก, ก่อนบริจาคพันบาทเนี่ยฝืนอารมณ์หรือว่าตามอารมณ์ฝืนมีตังค์อยู่สามพันไปสือป ร, ปรึกษาแฟนเธอท่านจะบริจาคใหู้ซลราพันเมียก็บว่าอโ๋อทำไมต้องพันสองร้อยก็พอแล้วเห็นไหมเห็นไหมต้องฝืนไหม ต้องฟืน้นอา้าวลุกขึ้นมานมาซูโบเนี่ยเนี่ยตอนนี้ถามว่าตอนตอนตอนตอ น, ตอ น, ต, อ น, ต, อนตอนจะขึ้นนะบิดกี่เที่ยวเขาจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอล๋อท่านมียูนุ๊กด้วย อ, อ๋อตายต้องอาบน้ำอีกนี่ต้องแปรงฟันต้องขั้งนั่งรถมาอีกถ้าไม่ฟืน้นอารมณ์มาไม่ไหวนะมัสยิดนะอาจึงเตือนนมาตะฮัดยุดธะอ๋อาก ถ้ามาได้ฟังศาสนามาก่อนเนี่ยถ้าหัวใจไม่ผูกพันกับโต๊ครูอุลมามะเนี่ยขึ้นไม่ไวอ้อ่ะอาพี่น้องผมอ่านจากหนังสือมีอุลลามะในซาอุดีเอาเอาซาอาุาดีก่อนกันแล้วกันมีนักเรียนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะมานั่งฟังศาสนากันเยอะเป็นร้อยเป็นพันนแต่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมานั่งแล้วก็หลับ พออาจารย์พูดจบบอกอาจารย์ฉันมานั่งฟังท่านเบื่อเบื่อมาแล้วก็หลับด้วยอาจารย์คนนี้ชื่อคาริสบินซอฟวานบอกท่านเนี่ยไฮมาลุนเป็นลาอัลโซโรติอินซานลามาในรูปของมนุษย์มานั่งอยู่ในมสัสยิดของอัลลอฮฺสุบานอัลกุรอาัลลแซบมากตัวนะ่ะเป็นเป็น เป็นคนในรูปร่างของคนแต่ใจของคุณเป็นลาหัวใจรุยวิญญาณที่ผูกพันกับดินน้ำลมไฟไม่ดึกขึ้นข้างบนเลยอยู่กับข้างล่างเนี่ยตลอดเนี่ยใช่หมเวลานั่งฟังศาสนาเนี่ยหลับแล้วก็เบือ่อเห็นไหมน่ะคนที่อันฟังคุตตุบาวันสุกที่หลับเป็นครึ่งคึ่งสุราเน่นั่นน่ะหัวใจของเขายังมาได้พัฒนาพอมนนั่งก็ ฟังอิมามพูดก็เส้นเบื่อไปหมดถูกตั้งปัญหาถามในมหาวิยไลยคำตอบก็คืออันตะไหมาลินหรีออันนักฮหมารุนรูปร่างของคุณนั้นเป็นคนแต่ลักษณะของคุณเป็นสัตว์โอ้โหไหมาคุณเหมือนเปรียบเสมือนลาแต่มาในรูปร่างของมนุษย์นี่เปต้องสังเกตง่ายๆเลย เรามาต้องไปว่าใครเป็นลาเป็นมนุษย์สังเกตดูตัวเราเองก็แล้วกันว่าเรานั่นอยู่ในสภาพไหนนี่คนที่นามาศนะแล้วฟังศาสนากับคนที่นามาศแล้วไม่ฟังศาสนาต่างกันไหมต่างกันนะคนที่นามาศไม่ฟังศาสนาเลยกับคนที่นามาศแล้วฟังศาสนาต่อเนี่ยหัวใจเป็นยังไงต่างกัน นามากรนามาณ่ะนามาแบบนั้นเนี่ยกนมาแบบนั้นแบบที่เรานามาณ่ะแหละผับผับผัใช่ไหมละ่ะแต่คนที่ฟังศาสนาด้วยนามา ด, ด้วยฟังศาสนาด้วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยัฟดาราะยะตะฮูจะยกตําแหน่งเขาให้สูงสง่งอย่งนีเป็นต้นนะครับเอาสรุปแล้ววิญ ญ, ญาณมีสองประเภทมินรูฮีที่อัลลอฮ์เล่าว่าฉันเปลาวิญ ญ, ญาณของฉันลงไปในร่างของอาดัมเนี่ย ถ้งว่าเปล่าวันไหนวิญญาณเนี่ยเปล่าลงไปในร่างวิญญาณตอนนี้ที่เอารอบเปล่าวิญญาณในท้องของภรรยาเราเนี่ยตอนอายุครบได้หนึ่งร้อยยี่สิบวันสี่สน่ามสิบสองสี่สามสิบสองสามครั้งอ่ะสี่สิบี่สิบสี่สิบเป็นอสุจิอสุจิมดลูก บวกอยู่ในมดลูกสี่สิบวันแล้วก็เป็นก้อนเลือดแล้วก็กลายเป็นก้อนเนื้อพอก้อนเนื้อสี่สวันเสร็จแล้วอัลลอให้มารรยาตมาเป่าวิญญาณปุ๊บลงไปเด็กก็เริ่มเริ่มดิ้นที่อยู่ในคันมารดาวันนั้นอัลลอฮฺให้กี่อย่างสี่อย่างกำหนดให้สี่อย่างนะอะไรรู้ไหมริสกีริส ก, กีได้ริสกีเท่าไหร่สองหมดอายุเมรัใช่ไหม จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วแล้วคุณตายที่ไหนกำนดหมดเลยพี่น้องทั้งหลายให้ให้สี่รายการริสกีก่อนไวน้องพี่น้องแต่นั้นต้องขอบคุณอลัลลอฮฺสุบฮานวาตาลเพราะเราได้ไม่ได้เกิดมาเองเอลัลลอ์ให้เกิดมานะครับถ้าอ่านกัมภีรเนี่ยตามนี้เราจะเห็นวอลัลลอฮ์ขั้นตอนในการสร้างมนุษย์นั้นเรามาจากไหนสร้างมาจากดินสีดา เคาะแล้วมีเสียงทำเป็นรูปร่างพอสร้างเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็เป่าวิญญาณ ล, ลงไปในอาดัมอาต่อมาครับฟะกออละหูซาจิดีนอัลลอฮ์สั่งนะฟะกออละหูฉะนั้นจงจงไรนะจงสูดอ่าจงไรนะจงก้มลงกราบ นอบน้อมต่ออะไรนะต่ออาดัมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งมาลายิกานะเมื่อสร้างอาดัมเสร็จแล้วเนี่ยสั่งให้มาลายิกาสุญูดกับอาดัมอัลลอฮ์สั่งให้มาลายิกาสุญูดกับอาดั ม, ม, ดดดมทีนี้มาลายิกาเนี่ยถูกสร้างมาจากราสมียินถูกสร้างมาจากเปลวไฟไชตอนถูกสร้างมาจากไฟ อยู่กลุ่มเดียวกันนะเมกืกอเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันไชตอนก็อยู่กลุ่มมาลาอิกะยินก็นอยู่กลุ่มมาลาอิกะไชตอนก็อยู่กลุ่มเดียวกันกับสามกลุ่มเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยอยู่อยู่ในพวกเดียวกันอัลลอฮ์สั่งก็สั่งหมดเลยเนี่ยทั้งยินและไชตอนอิบลิสสั่งหมดบอกให้สุ้อยู่กับอาดัมแล้วเป็นไงครับฟาซาจะดลัลมาลาอิกะทุกูลูฮมอัจมายดังนั้นมาลาอิกะ พวกเขาทั้งหมดกุลลูหุมอาจมาห์นรวมทั้งหมดเนี่ยได้ไรนะได้นบน้อมได้สูญูด ต, ตามที่อัลลอฮ์สั่งกับใครต่ออาดัมนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังง่า ย, ายอ่อมาเลกาสูญูดใช่ไหมทั้งหมดเลยมาเลกามีเท่าไหร่ประชากรมาเลกามีเท่าไหร่เราไม่รู้นับไม่ท้วน ประชากรโลกตอนนี้มีเท่าไรเจ0ดพันใช่ไมนะ่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจนว่ามีอยู่เจ0ดพันล้านคนจำนวนประชากรมาเลเกะนับไม่ถ้วนนะครับแต่ของมนุษย์มีอยู่เจ0ดพันเจดพันล้านนะครับเอาต่อมาครับอิลลัยอิบลีสยกเว้นอ่ายกเว้นยกเว้นใครครับยกเว้นอิบลีส อิบลิสเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่รู้กันนะเป็นหัวหน้าชัยตอนชัยตอนเน่ยเป็นลูกน้องแต่อิบลิสเนี่ยเป็นเลดเดอร์เป็นหัวหน้านะอิลลัอิบลิสเว้นแต่อิบลิสมันทำอะไรครับอาบะอียะกูนามอาสาจิดีนมันปฏิเสธอาบาเป็พราะมันปฏิเสธมันไม่เชื่อคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งให้สุญูด ต่อมากับอยกูนมาสัด็ดเด็ดมันปฏิเสธที่จะร่วมกับผู้นบน้อมใช่มมันปฏิเสธที่จะร่วมสุญูดกับใครนะกับมาลาอิกะแสดงว่าตรงนี้แหละที่อลุลามะอธิบายว่าไงนะมาลาอิกชาชัยตอนอยู่กลุ่มเดียวกันพอสั่งให้สุญูด เสร็จแล้วมาลาอิกาสุ jud อิบลิสไม่สุ jud เพราะอะไรมันปฏิเสธเอาทีนี้มาดูพวกเราพวกเราวันนี้อุลมะฟังที่บายอ่าญเพราะฉะนั้นใครที่มีนิสัยพวกเราเลถ้ามีนิสัยอาบาอาบาอะไรนะปฏิเสธวัสตักบารอโอหังวกกาเนามินาลกาฟิริแล้วก็ปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮ์เราก็ไม่ต่างอะไรกับคน อิบลิสกับตัวอิบลิสเนี่ยเราเนี่ยอาดัมนี่แหละเป็นลูกอาดัมเนี่ยถ้าเอานิสัยของเอาอาคัคราเอามารยาทของอิบลิสมาใช้อิบลิสมีนิสัยอยู่สมข้อนะหนึ่งอะไรนะอาบาปฏิเสธปฏิเสธคําสั่งสองวัสตักบารอโอหังกับคําสั่งของอัลลอฮ์ข้านคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ กาฟิรินปฏิเสธไม่เชื่อคำสั่งของอัลลอเป็นลักษณะเลวที่อัลลอฮตำหนิอิบลีสท่านั้นถ้าเราเอานิสัยเราเนี่ยไปเหมือนกับนิสัยของไชต์ตอนเราก็ไม่ต่างอะไรกับไชตตอนเหมือนกันไซต์ตอนคนมาในรูปร่างของใครนะอย่างคัมคำพูดตะกี้นะ่รูปร่างของลามีลามานั่งในมัสยิดอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาดา่าอ้อมอ้อด่าแสบดีนะ แค่นั้นพวกเราัที่มานั่งฟังศาสนานี่พไปนออ้องก็ต้องขอบคุณเราล้อนะบางคนเขาก็พูดจาแรงแต่บางคนก็ให้กำลังใจบอกมาเถอะถึงจะมานั่งหลับก็มาเถอะถึงจะเป็นลาในสุราวก็มาเถอะมานั่งฟังศาสนาเธอใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นบางกลุ่มก็พูดแรงบางกลุ่มก็พูดให้กำลังใจแต่เราพูดให้กำลังใจกันดีกว่านะมาเถอะถึงจะมานอนบ้างมาแล้วก็ไม่มีปัญหาหลับๆไม่รู้เรื่องก็มาเถอะใช่ไหม เพื่อจะได้มีกลิ่นอายอย่างน้อยก็เข้าไรนะเข้าร้านน้ำหอมได้กลิ่นหอมไปไปเข้าร้านตีเหล็กก็ได้ของเหม็นๆไปนะอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับกอละลลัมอาคุลีอัสกอลัยาอิบลีสอ่าอัลลอฮ์ถามนะครับอัลลอฮ์ตรัสว่าอิบลีสยาอิบลีสอิบลีสเอ๋ย มาละกัอัลลอฮตะกูนามาซาจีดีนเป็นอะไรแก่ท่านละ่ะเป็นอะไรกับคุณอัลลอฮตะกูนามาซาจีดีนที่ท่านไม่ได้ร่วมสุญูดกับผู้สุญูดทั้งหลายเป็นอะไรไปอัลลอฮฺถามถามถามอะไร น, นะถามชายตอนทางอิบริสอ่ะอิบลิสตอบกอลา อิบลิสตอบว่าลัมอาคุนลิอัสจุดลิบาชารินขลับต้าูมินสัลซอลิมินฮามาอิมัสนูนมันตอบว่าไม่ใช่สาหรับฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่สําหรับฉันที่ฉันจะนบโนบหรือฉันจะสูญยู่ต่อมนุษย์ไม่น่าทีาไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่ฉันจะ สูดกับมนุษย์เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากขอลักตาหูมินซอลโซลินทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแห้งมีเสียงแห่งดินดํามนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาจากดินทําเป็นรูปร่างฉันไม่กราบสิ่งที่สร้างมาจากดินเห็นยังมันคิดเองนะเนี่ยมันคิดเองว่ามันเนี่ยแจว จะไม่กราบสิ่งที่สร้างมาจากดินเอ้าต่อมาครับใครบอกว่าของที่มาจากดินนั่ น, นดีกว่าดีกว่ามันมาจากไฟใช่ไหมละ่ะอ่าเนี่ยมันคิดเองนะใช่ท่านศาสนานี่คิดเองได้ไหมห้ามให้ไม่ให้คิดเองนี่ก็อตองกอนจะเตือนพวกเราเหมือนกันว่าเรื่องศาสนาทำแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลออย่าคิดเอง อย่าคิดว่าทําอย่างนี้่ไม่ดีฉันจะทําอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้เหมือนใครทําตัวเหมือนใครเหมือนอิบลิสเห็นไหมนะอลัลลอฮ์สั่งให้สุญู์ก็สุญญ์ตามอลัลลอฮ์สิปัญหมานั่งคิดเองอ่ะอัลลอฮ์อาดามมาสร้างมาจากดินและฐานสูงทางมาจากไฟอ่ะมานั่งคิดเองไฟดีกว่าดินก็เลยไม่กราบอาดามนี่ไงอลัลลอฮ์โกรธตรงนี้จะดันเราเองก็เหมือนกันอ่านอาย่า น, นี้ต้องนึก เาสั่งอะไรให้ปฏิบัติปฏิบัติเถอะเช่นมรดกแบ่งมรดกเนี่ยผู้หญิงได้เท่าไหรนะส่วนเดียวผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหลายคนค้านนะล้องให้เป็นธรรมอ่ะก็เลยไม่ยอมแบ่งต้องขึ้นศาลกันนะเห็นไหมอนะ่ะแลวเป็นไงอ่ะ ไม่สนุกเลยชีวิตไม่มีความสูงทรยศต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะูาลวันนี้มรดกต้องขึ้นศาลกันเต็มไปหมดเถพ่นต้องอย่าลืมนะคำว่ามรดกของนบีมรดกนะั้นมีอยู่สองรายการนะมรดกอันที่หนึ่งมาจากพ่อแม่ก็เป็นที่ดินใช่ไหแล้วมรดกอีกอย่างหนึ่งมาจากท่านนาบีเรียกว่าอะไรอไรัลัยม ความรู้ knowledge อะล่ะโมวารสตุลอัมบิยะมรดกของนบีนั้นคือความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มาจากอัลลอสุบฮานู ว, วาตาลาตรงนี้ไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่มีใครแสวงหาด้วยนุ่นไปแสวงหาไอ้ที่มันลกที่พ่อให้ลองแบ่งไม่เท่ากันทะเลาะกันหน้าดูรเลยหรือว่าคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้มากปเนอะ แต่มรดกของท่านนาบีไม่มีใครแสวงหาเนี่ยเราต้องขอดูอาต่อรอที่พวกเราวันนี้มานั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยมาแสวงหามรดกสวนไหนส่วนที่มาจากท่านนาบีจากอัลลอฮฺสุบฮานูวบุตาล่นะครับอะลัยลมูบารสตุลอัมเบียคือนั้นอัลมาคนนั่งฟังศาสนาเนี่ยเป็นผู้ได้รับมรดกมาจากท่านนาบีอย่าลืมนะอัลลอเมตตาคนประเภทนี้เยอะนะ คนที่สนใจศาสนาฝั่ง้างศาสนาอย่างนี้นะครับอ้าวต่อมาครับกอลละฟักรุจมินฮาฟะอินนักอโรจีมกอลละฟักรุจมินฮาฟะอินนักอโรจีมอัลลอฮฺตักว่าอิบลิสจงออกไปจากที่นี้ไล่เลยฟัขรุจออกไปออกไปออกไป นี่อัลลอ์ไล่นะใช่นบ like, ah like ีไล่นะนบียังไม่เกิดอัลลอ์ไลให้อิบลิสออกจากสวนสวรรค์ว่าง่ายๆก็แล้วกันฟะอินนากรอยีมแท้จริงท่านเป็นผู้ถูกขับไล่รอยีมแปลว่าถูกขับไล่ถูกละนัดก็แล้วกันถูกอะไรนะถูกงดความเมตตานะครับ ว่าอินน้าเล่าอิกละนัต่เอลายาวมิดดี ى ي และแท้จริงว่าอินน้าเลัยกะแท้จริงการละนัดหมายถึงการขาดหึงงดเว้นจากพระเมตตาของอัลลอฮฺน้นกี่วันละนัดกี่วันคำตอบนะครับพีุ่รอาจารลายาวมียุบาซูลความ งดความเมตตาเนี่ยจะมีแก่ท่านเนี่ยจนจวบวันแห่งการตอบแทนนู่นน่ะวันฟื้นคืนชีพน่ะเห็นยังอ่ะอัลลอฮฺตุลลงว่าทั้งชีวิตของชาตอนอิบลิสเนี่ยถูกละนัดถูกงดความเมตตาจากอัลลอฮฺตลอดกาลถึงวันฟื้นคืนชีพเลยเอา้าวในเมื่ออัลลอฮฺละนัดแล้วน่ะเป็นยังไงต่อไป ชายตอนมันขอร้อง Allah อ้าวดูขอละรอบบีชายตอนมันกล่าวว่าฟังซิรนีอิลัยยามิยุมะซูนข้าแต่พระผูอ้อภิบาลของฉันเอย๋ยรอบบีมันก็เรียกอล l l a h ดีนะนะรอบบีพระพูอ้อภิบาลของฉันเอย๋ยฟังซิรนีได้ทรงโปรดประวิงแก่ฉัน ได้ทรงโปรดประวิงแกฉันกี่วันอิละยามมียูบาสุจนถึงวันที่ปวงมนุษย์ถูกฟื้นขึ้นให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งประวิงเวลาให้อิบลิสเนี่ยอยู่กับมนุษย์เนี่ยจนกว่าวันมนุษย์จะถูกให้ฟื้นขึ้นอธิบายอย่างนี้การเป่าสาังนะั้นมีกี่ครั้งนะมลาัายข้าเป่าสาังเนะีกี่ครั้ง สองครั้งครั้งแรกเนี่ยพอเป่าสังเนี่คนตายหมดเลยนะสรรพสิ่งทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกดุริยางแบบนี้ตายหมดนะแล้วก็เว้นไปอีกสี่สิบไม่รู้ว่าสี่สิบวันสี่สิบอาทิตย์สี่สิบปีไม่รู้เขาว่าสี่สิบแล้วต่อมามล า, ายกาเป่าอีกครั้งหนึ่งเป่าสังอีกครั้งหนึ่งฟื้นหมดเลยนี่ไงอิบลิสไซต์ตอนเนี่ยถูก อัลลอฮฺละอนะตแล้วก็สั่งให้อยู่ไปจนกว่าจะถึงวันเป่าสังครั้งที่สองนานไหมโอ้โหนานมากเลยแต่นี้คําอธิบายเป็นอย่างนี้กวักนี่เห็นยังไงชัยตอนอิบลิสเนี่ยมันเจรจากับใครนะกับอัลลอฮฺโดยตรงใช่ไหมผ่านซื้อเปล่าไม่ผ่านผ่านตัวครูเปล่าไม่ผ่านผ่านตัวแซ่เปล่าไม่ผ่านมล า, ายกาเนี่ยไอ้ไม่ใช่ชตอนเนี่ยคุยกับอัลลอฮฺตรงตรง อุลมามะก็อธิบายเราเองก็เหมือนกันวันนี้ไทรตอนอันเลวที่สุดมันคุยกับอัลลอฮ์ตรงๆได้แล้วเราเองก็เหมือนกันเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยยังเลวสู้ไทรตอนไม่ได้เรามีทั้งดีและชั่วฉะนั้นเวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องไปขอจากโตกน๊น่นโต๊ะนี่ที่ตายไปแล้วเนี่ยอย่าไปขอให้เราขอกับอัลลอฮ์ตรงๆเลย มีปัญหาอะไรขอกอัลลอฮ์ตรงๆคณะชัยตอในมันเลวกว่าเราเองอ่ะมันยังคุยกับอัลลอฮ์ตรงตเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ไหมให้แค่นั้นอย่าขอผ่านโตวลีโตน้นุ่นโต๊ะนี่โตะอะไรก็ตามแต่ที่ตายไปแล้วนะอย่าไปขอผ่านโต๊ะเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์เรียกว่าคุณกําลังทําชิริกต่อฉันมีปัญหาขอกระชันตรงๆไปอาบน้ําน้ำมานมากคนกาเฟ่เกิดเหมือนกันมีปัญหาอะไรติดต่ออัลลอฮ์ตรงๆ หรือไม่มาหามุสลิม่มุสลิมช่วยขอให้ก่อนตายนะถ้าหลังตายไปแล้วไม่ได้ยางมีเป็นตนเอาต่อมาครับกอลละฟ้อินนักะมินัลมุซรินอายะที่37พระองค์ตัดว่าฟะอินนักะมินัลมุซรินดังนั้นแท้จริงท่านอยู่ในหมู่ผู้ถูกปรววิงอัลลอฮ์ยกให้เอาเอาไป คุณอยู่บนโลกดุรยาไปนี้จนกว่าจะถึงวันนนวันฟื้นคืนชีพอลัลลอให้ไหมให้ให้ทำไมปัญหาถามมาอิลยามิลวกติลมาลูมจวบวันแห่งเวลาที่รู้กันแล้วไอรู้กันแล้วเนี่ยหมายถึงวันเตียมวันสิ้นโลกวันฟื้นคืนชีพนั่นแหละอายาที่ส9 “قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين” ชัยต้อนมันกล่าวว่า“รับบีข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยบิมาอักไวตนีโดยที่พระองค์เนี่ยได้ ตาฉันให้เป็นคนหลงโดยที่พระองค์นี่นะสาบฉันให้เป็นคนหลงทางอยู่นอกหลักการเป็นคนเลวเป็นคนอโลอสุขถูกสาบสาบ ส, าบสาบแช่งแล้วเนี่ยฉันจะทำหน้าที่อย่างนี้ลาอุไซ ย, ยีนันนาเลหุมแน่นอนฉันจะทำให้ความชั่วทำของที่เลวๆ เ, เนี่ยเป็นที่พึงพอใจ กับพวกเขากับพวกมนุษย์ใช้ตอนมีหน้าที่ทำของที่อัลลอ์ห้าว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกผิดผิดผิดฮารอมฮารอมฮารอมเนี่ยฉันจะทำให้มันเป็นที่ดีอกดีใจถูกใจพึงใจกับเบาของท่านอั่ะนี่มันคุยกับอัลลอฮ์ตรงๆแลวอัลลอฮ์ก็เล่าให้พวกเราฟังต่อมาครับ วาลาอูโวิยนนาหุมฟิลอาร์ดีด้วยนะบนแผ่นดินนี่นะตกลงมาล่อลวงมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี้นะเดี๋ยวนี้อเมริกามันต้องการจะไปหาที่อยู่ใหม่แล้วที่ไหนนะดวงจันทร์คิดว่าเชตตอนคงล่อไม่ถึงคนทิ่งอัลลอ์พูดอูของมนุษย์อยู่ตรงนี้แหละ ไปอยู่บนยมจัจนทะใช้ออกซิเจนเท่าไรระแบกไว้หลอนลงทุนเท่าไรอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตกลับไปอยู่ตรงนี้แหละแคนั้นใช่ตอนมันจะล่อมนุษย์คนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินตรงนี้ต่อไปว่าละอุกวียันต์และฉันก็จะทําให้พวกเขานั้นหลงโอ้มันพูดสองครั้งนะละอุไร ย, ยีหน้าด้วยละอุกวียันตหน้าด้วยฉันจะมองฉันจะทําให้พวกเขามองของถูกเป็นมองของผิดเป็นของถูก แล้วก็ขานก็จะล่อรวงเขาให้หลงสองครั้งมันพูดสองครั้งนะโอ้พี่น้องขยัยอาจมาเอกี่คนทั้งหมดทั้งหมดมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ทุกคนที่เอาล่อสร้างมาบนโลกบนนองชันจะหลอกมันเราจะทำให้มันให้มนุษย์มองของผิดเป็นของถูก ต่อมาอายาที่สี่สิอิลลัอิบะดะกามินฮูมุลมุคลซีเว้นแต่อาใช่ตอนมันยกเว้นคนกลุ่มเดียวกุมไหนครับเบาของพระองค์ในหมู่สูเจ้านะครับในหมู่พวกเขาคนที่มีหัวใจที่มุคลาซีมุคลาสแปลว่าอะไรนะหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ เมาอธิบายคําว่าอิคลาสมุคลาสเนี่ยมุคลิสเนี่ ย, ค น, ยคนที่หัวใจสะอาดบริสุทธิ์มา่อี่อธิบายแล้วว่านะีหัวใจของคนมีสองมันมีสูงกับต่ําหัวใจของคนที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมักจะอยู่จะสูงนะผูกพันกับใครนะผูกพันธ์กับอัลลอฮ์ผูกพันธ์ AH, ก, นกับสิ่งที่มองไม่เห็นผูกพัน์กับสิ่งที่เร้นลับผูกพันกับหัวใจที่สะอาดที่อยู่นุ่นตายบาลังอัลลอฮ์นั่นแหะ นั่นไงคนหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์อธิบายแบบเราเราก็คือว่าทํางานเนี่ยไม่หวังไม่หวังเนี่ยเงินไม่หวังอะไรนะตําแหน่งไม่หวังเกียรติไม่หวังชื่อเสียงอย่างน้ำมาดเนี่ยไปหาเงินตรงไหนมายืนน้ำมาดเนี่ยมันจะได้เงินส่วนไหนมีไหมไม่ได้อยู่แล้วบางคน บางคนก็เอาอีกนะมาณมานะมานะ่มันของดีอยู่แล้วแต่มันเนยดพิษนะเนียดอวดคนมีไหมมีเพราะนั้นคนที่หัวใจที่อิคลาสบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ทำความดีเพื่อเงินเพื่อรางวัลตอบแทนใดๆบนโลกดุนยาใบนี้นั่นเรียกว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์สุบฮานาูฮันอาลาและคนที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ย ชัยตอนกลัวเรื่องมันมันไม่กลัวกลัวนี่มันบอกว่าอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมคลาซีนฉันจะจะเข้าจะไม่เข้าไปยุ่งกับคนที่มีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามท่าหัวใจไม่บริสุทธิ์นะฉันล่อหมดเลยแล้วก็ลวงมันหมดทุกคนมีคนถามนบีนะชัยตอนเนี่ย มันจะเข้ามาหามนุษย์ตอนไหนหรือเปล่าช้ยตอนเล่าเองนะช้ยตอนเล่ากับนบีเองฉันนี่นะจะเข้ามาอยู่กับท่านนะในสองช่วงเวลาช่วงนี้หนึ่งตอนที่ท่านโมโหตอนไหนนะตอนแอนกรีรบบตอนโมโหครที่โมโหทั้งหมดนะ ชันวุบเข้าเลยและอีกช่วงหนึ่งตอนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ตอนที่มีฮาวานับซูอยู่นะลืมคําสั่งอัลลอฮ์ลืมคําสั่ ง, อ, งอิตานโมโหนี่ลืมคําสั่งไหมแน่นอนสองตอนมีอารมณ์อารมณ์มเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดเอาอารมณ์มาใหญ่กัาคำสั่งอลัลลอฮ์เชตตอนเข้าทันทีอันเป็นต้องจําให้ดีเลยนะเชตตอนเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่กับคนสองช่วง ช่วงไหนบ้างตอนโกรธเรานี่โกรธบ่อยใช่ไหมนะ่ะไปเจอลูกทำอะไรมาถูกใจโกรธระวังระวังพอโกรธภาพใครเข้าใครเข้าใส่ตอนเข้าไม่ใช่มาริกาเข้านะอ้าวสองตอนไหนนะตอนมีอารมณ์เนี่ยอารมณ์ทั้งหมดนี่แหละอารมณ์อยากอารมณ์หิวก็เหมือนกันระวังนะ อารมณ์หิวเพราหิวป้าบแล้วเอาแหละทำอาหารไปถูกปากคูดแดกไม่ลมเอาเลยทีนี้สารพัดมันตามมาเต็มไปหมดเนี่ยฉะนั้นสองอารมณ์นี่ระวังให้ดีอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธอารมณ์หิวง่วงนอนก็เหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดน่ะอารมณ์อารมณ์ทั้งหมดในเรื่องเรื่องเสียเสียหายหาเนี่ยมันช้ตอนจะเข้ามาอยู่ในร่างของคนทันทีช้ตอนน่ะมันอยู่อยู่แล้ว แต่มันจะมีอิทธิพลมาควบคุมหัวใจเราตอนไหนเท่านั้นเองนี่ชัยตอนเล่าเองนะฉันเลือกอยู่สองอารมณ์อารมณ์โกรธกับอารมณ์ ม, มีอะไรนะมีฮาวานับสูรอยู่กับตัวเองเอาตอมาครับกาลฮาจาดิรอตุนอาลยมุสตะกีพระองค์ตัดว่านี่คือทางอันเที่ยงตรง ยังฉันฮาจาศิรตุนอาไลยะมุสตะทีมพระองค์ตรัสว่านี่คือทางที่เที่ยงตรงไปยังฉันอธิบายอย่างนี้ทุกคนจะต้องตายาทุกคนจะต้องตายตายแล้วเนี่ยจะต้องฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาอธิบายอย่างนี้ ทีนี้อัลลอฮ์ต้องการให้พวกเราวันนี้เนี่ยอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยให้เรานึกถึงภาพของโลกอาคีระอเยอะๆนี่กําลังนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยกําลังนามาดอยู่เนี่ยกำลังคุยกับภรรยาอยู่เนี่ยกาลังค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยกําลังทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่อยู่หรือกําลังนั่งเจรจาอยู่กับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องเราก็ตาม ขณะที่เรานั่งอยู่นี่นะให้ใจเรานึกภาพอารอิเคโรเยอะๆนึกยังไงพี่น้องภาพอาค์เคโนึกนึกอย่างนี้ต้องนึกพอเร า, เรากาลังจะคุยกับเพื่อนอยู่นี่ปากมามองเพื่อนคุยแต่ใจนึกวันเตียมานี่นะดวงอาทิตย์ห่างศรีรษะเท่าไหร่ทิ่รูมาเนะท่าไหร่นิดเดียวห่างไม้เดียว ไมหนึ่งจะไม่ตาตาก็เรียกว่าไมเหมือนกันเนี่ยทาตาเนี่ยที่ทาตายาตาเราเนี่ยนะนั่นอ่ะไม ห, หมหนึ่งหางกระสิสะเครืบอนเรื่องอาอยุตัวอย่างต้งนึกภาพนั้นภาพภาพภาพที่สองอัลลอฮฺจะให้มือพูดแล้วก็ให้เท้าเป็นพยานนี่ภาพที่สองนะแล้วก็ภาพที่สามอัลลอฮฺจะปิดปากเราแล้วก็ภาพที่สีอัลลอฮฺจะให้ให้ยื่น มือของพระองค์ด้วยมือซ้ายยกตัวอย่างอย่างนี้นี่ไอ้ภาพอย่างนี้พี่น้องต้องนึกถ้าเรานึกภาพอาร์คิละอตอย่างนี้มาบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆ เ, เนี่ยจะทําให้เราไม่กล้าทําความผิด น, นั่นคืเป็นต้นฉะนั้นอาย่านี้เตือนเรานะฮาซาสิลอตตนาไลยะมุสตากีพระองค์ตัดว่านี่คือทางอันเที่ยงตรง และทุกคนก็จะต้องกลับไปหาฉันหมายความว่าใครจะเอ า, าศาสนาไม่เอ า, าศาสนาเชิญแต่ทุกคนจะต้องตายตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลสุลานาหูวตาลเป็นน้องนึกภาพนะอีกภาพหนึ่งท่านพี่น้องก็ต้องวิ่งหาคนชาฟา่าในวันกิยมามะน่ะวิ่งหาคนชาฟ่าใช่หมน่ะไปห า, าอับดอาดัม อ้าวยกตัวอย่างท่า น, นาบีอาดามอยู่พัทยาเราวิ่งจากคอนเพลตเนี่ยไปพัทยาไปเจอนบีอาดามพี่ตั้งว่าฉันช่วยคุณไม่ได้พี่ตัก็สั่งต่อท่านไปหานาบีมูซาไปมูซาอยู่นู่นน่ะอยู่พนัฐน่ะมูซาอยู่จังหวัดระยองอ่ะต้องวิ่งไประยองน่ะไปเจอนบีมูซามูซาว่าฉันก็ช่วยคุณไม่ได้ หาอบดน้วไปอับดุลเน้อยู่ภูเก็ตนะวิ่งไปภูเกตนะ็ตไปเจอนบับดุลเน้วฉันช่วยคุณไม่ได้ฉันเองก็มีปัญหาเยอะเนี่ยตัวฉันเนี่ยเมียฉันก็ไม่เอาไม่อิมานตัวฉันลูกฉันก็ไม่อิมานตัวฉันกว่าจะไปเจอนบีุลมฮัมหมัดนะวิ่งกี่รอบนึกภาพตรงนี้พี่น้องเลยอัลลอฮ์วิ่งให้คนช่วยอะยังเราวันนี้วิ่งให้คนช่วยนะ ที่หาก็ไม่เจอเน่ยถ้ามุกให้ช่วยใครจะให้ใครช่วยเราในปัญหามันมีเนี่ยอย่างนี้ยังมีมีโทรศัพท์ยังฮัลโหลก็ได้เน่ยแต่วันนั้นโทรศัพท์ไม่มีสิทธิ์น่ะอันนี้อะไรเนี่ยนี่ไม่มีแล้วคำให้ใช้แล้วลอตไม่ให้ใช้แล้วครอะไรนะไอแพดไอพอะไรพวกนี้หมดเสร็จวันนี้อลลอตให้สะดวกสบายหมดเลยแต่วันนั้นไม่มีสิทธิ์จะติดต่อกับนบีมีอยู่ทางเดียว เราต้อเอาสุนัขนบีมาใช้นบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนเดียวที่จะให้เชฟอาอัลกับเราได้นบีท่านอื่นไม่มีสิทธิ์แต่นบีมุฮัมมัดเล่าเองนะทุกคนจะวิ่งไปหานบีทั้งหมดแต่แหละคนสุนายก็ต้องมาหานบีมุฮัมมัดแล้วเราอ่ะเอาสุนัขนบีมหมมัเข้าบ้านหรือเปล่าปฏิเสธสุนัขนบีนบีว่าฉันมาเลก์กาการเดินนบีอย่ายุ่งกับคนนี้ หลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วทำบินเอาไว้เต็มไปหมดนะ่ะมีคนบอกวันที่สุนนะนบีไม่เอาเอาของที่มุจจะสุนนะนบีเอาหน้าก็กันไม่ให้เข้านาบีก็ไม่ได้ช่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ยให้นึกภาพตรงนี้เยอะๆแล้วเราจะอยู่บนโลกดุงดาแ้แบบนึกถึงอัล ล, ลอฮ์ตลอดซูนตลอดเวลาเอาต่อมาครับ อินอาบดิลัยซัลลาการไลฮิมสุลตานี่อัลลอฮ์เล่านะแท้จริงเบาของฉันไลซัลลาการไลฮิมท่านไม่มีอำนาจใดเหนือพวกเขาเลยไลซัลลาการไลฮิมบอกกรชายตอนคุณนะ่ะไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือพวกเขาได้เลยอิลลามานิต ตาบาอาคามินาโรวินเว้นแต่ผู้ในหมู่หลงผิดที่ปฏิบัติตามท่านเท่านั้นนี่มีอยู่คําหนึ่งมานิตตาบาอาคะคนที่ตามท่านก็คือคนที่หลงผิดเห็นไหมนี่ภาษาตรงนี้คนที่ตามชัตอนก็คือคนที่หลงผิดถามว่าชัตอนอยู่ที่ไหนพี่น้องชัตอนอยู่ที่ไหน อารมณ์ของเรากับไชตอนเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะ่ะอารมณ์เราเนี่ยฮาว่าเราฮาว่านับสูเราเนี่ยฉะนั้นฮาว่านับสูเราต้องเลือกฮาวารวบที่ไรนะั่งที่สูงที่สะอาดตลออดเยอะๆไปน้องอ่าเข้าใจนะว่อินน a ฮ a h a n nama lamawai duhum ajmain และแท้จริงนรกพอพูดถึงเรื่องนรกเนี่ยก็ พ, พูดถึงเรื่องไชตอนใช่ไหมล่ะ แท้จริงนรกนั้นได้ถูกสัญญาไว้สําหรับพวกเขารวมทั้งหมดคือคนที่ปฏิบัติตามใครนะตามชาตอนทิ้งคําสั่งของอัลลอฮฺปฏิบัติตามชาตอนพวกเขาจะถูกรวมอยู่ในนรกทั้งหมดชาตอนทําหน้าที่อะไรบ้างพี่นอ้องยุยุทางข้างหน้าข้างหลังเมื่อวันสุกที่แล้วอาจารย์ยูซุพูดว่าไงนะข้างบนมันไม่มา มันมาจต่ซ้ายขวาหลังหมดข้างบนทำไมอะ่ะเพราะอัลลอฮ์คุมอยู่ อ, ะอ่ะตัวนี้อัลลอฮ์ก็บป่อให้เราดูแลตัวเองซ้ายขวาในชัยตอนมันมาหมดมาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลังแต่ข้างบนมันไม่เข้ามายุ่งเพราะอัลลอฮ์ Allah ดูแลอยู่ฉะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดมีไม่ไมีแต่ต้องพึ่องอะไรข้างบนพึ่งใครพึ่องอัลลอฮ์สุภาณูรุลาฉะนั้นเวลาชัยตอนมารบพวนเนี่ชัยตอนแนะนําเองนะ ซาตานกับนบีเนี่ยเคยคุยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีกําลังละมาอยู่ซาตานมาอยู่มาขวางเลยขวางข้างหน้านาบีก็อ่านอุบิลลาฮิมินัชซาตานิรจิมซาตานบอกอนนบีพูดถูกนี่แหละคํานี้แหละเป็นคําเดียวที่สามารถขจัดฉันได้สามารถที่จะเอาชนะฉันได้มีอยู่คําเดียวอะไร أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر لحب الله คือน uhm ั่นเราต้องนึกถึงล l l a h เยอะๆเวลาโกรธอ่าเวลาโกรธทาไงอาอุบิลลาฮิมน a ย h a y t a n ว่าทันหรือเปล่าปัญหาใหญ่นึกถึง a าล่ h หรือเปล่าตอนโกรธน่ะไม่ได้นึก มีอุลมามอยู่ท่านหนึ่งก็อธิบายดีก็บอกวเวลาโกรธให้ยืนอยู่ไปยืนตัวหน้ากระจกด้วย จ, จะได้รู้ว่าชัยตอนตัวแทนแบบไหนพอไปยืนก็เจอหน้าเรานั่นแหละชัยตอน <c oughs> อยาอ่างนี้ต้นกะนั้นเวลาโกรธนึกถึงอัลลอฮกล่าวว่าไงอัซ <c oughs> <c oughs> ุบิลละฮิมินัสชัยตอนิี่โรยีรวมไปถึงเวลาไปนองไปในบ้านใครก็ตามไปเจอบ้านเขาใหญ่ <c oughs> <c oughs> มีรถจอดหลายคันลูกข้าก็หน้าตาสวยดีเห็นแล้วบางคนก็อิจฉา ด, ดูสิดูสิมันทำงานที่หลังฉันเป็นลูกน้องฉันด้วยดูสิดูดูมันรวยดูมันรวยมันใส่อยู่ในใจถ้าว่าคิดอย่างนี้ดีดีหรือว่าเลวเลววิธีที่จะไล่ความอิจฉาให้ออกจากใจทำงไงพี่น้องว่าอย่างนี้มาชาอัลลอฮ มาชาอัลลอฮอัลลอฮฺบ้านคขาบัลฮัมดุลิลละยี่สิบล้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เต็มแอร์เย็นชับบัลฮัมอย่าไปคิดว่าไอ้จ่ายค่าไฟเดือนเท่าไหร่บุไปคิดนะคิดว่าบ้านใหญ่อิชาริสยามีอยู่ในใจของคนที่ไม่มีศาสนาคนใจไม่สะอาดคนใจที่ติดอยู่กับดินน้ำลมไฟในะอิชาหมดถ้าหัวใจของเขาผูกพันกับข้างบนเนี่ยน่านมากๆเนี่ย ข้าก็จะกล่าวว่าไงนะมาชาอัลลอฮฺหายหมดเลยจากที่นั่งหมดเยจากนี้ไปต้นเอาต่อมาอยธายะสุดท้ายละฮาซาบาตุอบวาบนี่พูดถึงเรื่องนรกนะนรกมีประตูเท่าไหร่ครับซาบาตุอบวอาเจ็ดบานเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างนี่ไงถ้ามีอัานกูนอ่านจะรู้ไหมไม่รู้ อา้าวนรกมีอยู่เท่าไรเจ็ดบาลลิกุลีบาบิมินหุมจูซุมมากซุมสำหรับทุกๆุกบาลของมันนั้นมีส่วนผู้ถูกกำหนดไว้คือแต่ละคนที่ทำบาปอย่างนี้จะเข้าประตูบาล น, นี้คนชั่วแบบนี้จะเข้าประตูบาล น, นี้เจ็ดบาลอุลมะอธิบายดีอา้าวเจ็ดบาลมีอะไรบ้าง เจ็ดบาทเป็นอย่างนี้ครับนรกเนี่ยมีอยู่เจ็ดเจ็ดขุมนะขุมแรกเรียกว่ายาหันนำใครเข้ายาหันนำคนแขกคนแขกที่ไม่เอาศาสนาอนะ่ะคนแขกพวกเรานี่ยนะทั่วประเทศทั่วโลกที่ไม่เอาศาสนาชื่อมูฮัมมัดจื้ออาห์มัดจื้อนูริยาฟาติมาอามินะอย่างเงี้ย แต่ไม่เอาศาสนาหรอกนะอันพวกนี้ตกนรกนะเรียกว่าจะได้จะหันนำคุ้มที่สองเรียกว่าลาจอลาจอลาจอลาจคุ้มที่สองเนี่ยพวกไหนพวกที่บูชาไฟพวกกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดูพระไฟเดินรอบไฟระวังระวังอยเดินรอบไฟทั้งหลายนีนะนี่นะเนี่ยอยู่ในนรกชื่อว่าลาจอ ต่อมานารกขุมที่สามหูตอมะหูตอมะคุณอานมีหูเล่นเล็กๆนะหูตอมะว่ามาอดรอก็มาหูตอมะอย่างนี้เป็นต้นหูตอมะเนี่ยพวกบูชารูปจเจวิตเห็นไหมพี่น้องเห็นอย่างหนักนะพวกบูชารูปจเจว็ตทั้งหมดถูกโยนในนรกชื่อว่าอัลหูตอมะต่อมาครับสกัสกอรสักอว่ามาอดรอก็มาสักอร์อพวกเนี้ย สกอตชื่อขุมนรกใครครับพวกเยฮูดีเยฮู ด, ดีเห็นไหมเราสงสัยว่าิยฮูดีก็นับถืออัลลอฮ์เหมือนกันจะไม่อัลลอ์เคืองอะ่ะก็พ่อไปบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกชื่ออุเซสนี่ไงอัลลอฮ์โกรธตรงนี้เอาต่อมาครับขุมที่ห้าอัสีรนี่พวกนาสอรออย่าไปแปลไทยพวกนาสรอเห็นไหมพออี่น้อง ทำไมอ่ะนสรอก็ น, นับถืออัลลอฮ์เหมือนกันแต่ไปเหมาให้นบีอีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พอใจตรงนี้เพราะ Allah อัลลอฮ์หูอหัดอัลลอฮ์หูสมาใช่ไหมนะอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแต่พวกนสรอสายร้ายว่าอิซาเป็นลูกของอัลลอฮ์สุภาโนุนอะไรขุมที่หกอัลญาฮิมพวกซออีบี ซออีบนซออีบนนี่ก็พวกอีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธสุนทรนาบีมุฮัมมัดไม่เอาไม่เอานาบีมุฮัมมัดกลุ่มสุดท้ายนะพี่น้องอัลฮาวิยะขุมที่เจ็อัลมุฮวดินคนที่นับถืออัลลอฮ์เหมือนกันแต่ทำบาปกับกลุ่มแรกเลยพี่น้องไม่เอาศาสนาเลยมีศาสนาแต่ว่าทำบาปคู่กันแล้วก็ตอนตายไม่ยอมตาบ้าตัวต่วะออัลลอ์ุบฮานาลา ขับขับรถไปไปตายกลางถนนไม่มีโอกาสที่ตาบ้าตัวต่อหลอกฉะนั้นคนที่ทำผิดแล้วตาบ้าตัวน่ะเขาเรียกว่าคนดีนะนรกมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดขุมนะขุมที่หนึ่งเรียกว่าอะไรนะยาฮีมคนที่มีอัลลอฮ์นี่แหละแต่ว่าไม่เอาศาสนากับกลุ่มกลุ่มสุดท้ายฮาวิยะนับถือ Allah อัลลอฮ์อมเดียวแต่ทำบาปด้วยอ่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องครับ นรกมีไหมมีมีทั้งหมดกี่ขุมเจ็ดขุมในกัรอ่านพูดว่าซาบะอาตุอั บ, บ, บวาบเจ็ดประตูเจ็ดบานเนี่ยคนเหล่านี้น่กเขา้าจนนั้นเป็นน้องครับมีอยู่กลุ่มเดียวคนที่จะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์นีอยู่กลุ่มเดียวมาอานาไลฮิวอัลฮาบีคนที่ปฏิบัติตามสุนนะนบีและปฏิบัติตามสัฮาบะของท่านนาบีเท่านั้นละปลอดภยัยก็ขอเชิญชวนท่านเป็นน้องนะครับ ให้ย hey, nah ok ah ah ึดกีตาบุลรอและสุนัขอุทันนบีพี่น้องครับวันนี้เรียนเยอะเลยนะสิบเจ็ดอายาเพราะว่าเป็นอายาสั้นๆเล่าถึงเรื่องนรกสวรรค์เล่าทัวเรื่องอะไรนะชัยตอนความจริงชัยตอนนี่ทำหน้าที่สิบประการแต่อยากจะเล่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสิบประการมีอะไรบ้างเอาไว้อทินฐานอิสลามลอสุฮานะกัหลุมาบิฮัมดิกะชลออิลาฮอิลอัตะ